เพราะว่าใครๆก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าการมคุญทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่งยืน่นแม้ว่าใครจะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเพราะบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็มีอยู่ในตัวนี้หมดแล้วไม่ใช่มีแต่ภายนอกนั้น รูปก็ได้แก่รูปร่างกายทุกส่วนนี่เสียงอเนี่ยเสียงคำพูดคำจาต่างๆนี่นี่มันก็มีอยู่ในนี้นี่กลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี้ในกายนี่รสก็มีอยู่นี้คี่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้เราคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะมันมีอยู่ในนี้แล้วทีนี้เมื่อเราเพ่งดูในนี้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 มืดแต่ด้านเอาจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยไม่รู้จุดประสงค์เลยอ่นั่นแหละทีนี่พูดที่เคยมีสติสมบัติเช่นเนี่ยเคยมีศรธรมมั่นในบุญในกุศลมาแต่ชาติ่อ น, นุนพาเกิดมาชาตินี้บุญเก่าเนี่ยแหละมันมามันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกว่าเออนี่เราเกิดมานี่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 หวงแหนต่างๆออกไปจา ก, ก จ, จิตใจเนี่ยเอาศีลหรือเมตตากรุณาธรรมนี่เป็นน้ําสําหรับล้างความโกรธความมตตาบาดต่างๆให้ออกไปจากจิตใจนี่ไอความโกรธความเ ม, มตตาบาดต่างๆหัวนี้บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะมันไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ออกหนะมันไม่ยอมออกจา ก, กจิตใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่น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 มันเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมันมันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างนี้เราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาทยายกำจัดมันจะไปได้ยังไงอะ่ะนั้นแหละมันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณาน่แหละมาลบล้างกันเนะมนือนโน้มจิตใจลงเครือความเอ็นดูสงสารในฐานที่เกิดมาแล้วเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน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 ความเป็นพูดสตั้งใจไว้อย่างนี้เสมอเสมอไปอย่างนี้แหละความโกรธความไยาบาทมันถึงเบาบางไปจากกิตใจได้ใจก็จึงสงบเน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลสเหล่านี้ไว้ในใจเนะใจนั้นสงบไม่ได้เลยมันจะต้องฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสนี่มันไม่ยอมให้ใจสงบนะลักษณะของกิเลส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 ที่ตนเข้าใจนั้นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องออแต่แล้วไม่ใช่มันถูกต้องมันเป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะอท่านจึงเอียกหลงนั่นแหละถ้าพูดกันอยากให้ชัดๆตรงไปอีกก็ก็หลงยินดีหลงยินรายอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสทั้งส่งในโลกนี่แหละอันนี้เราเรียก ว, ว่ามันได้ความชัดเลยคําว่าความหลงนี่นะเพราะว่า เมื่อบุคคลหายหลงแล้วนะจะมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่ไม่เป็นสิ่งทีน่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันแปรปวนมันแตกมันดับไปไม่ไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ได้อะไรถึงแม่บุคคลใดจะส่งใจไปผูกไปพันไว้ด้วยความยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่าง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 ไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในกามาคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ล่วงสินข้อที่สามที่ว่ากรรมเมสงวิชาจานไอ้เช่นนี้มันก็โกให้เกิดบาปอาุศลน่บุคคลผู้เพิดเพลินในการมคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้คลองเรือนก็ดีมันก็นำทุกน้ำโทษมาให้แต่ถ้ารู้จักพอดี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 หมายความว่าอย่างนั้นโทษแห่งกรามมคุณนี่นะพ้นจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกอีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดใค้ควรให้มันเห็นผู้ครองเรือทั้งหลายถ้าพญายาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมกบุ่นอยู่ในกรามมคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทางสั่งสมบูรณ์กุศลฝึกฝนกายวาจาใจทห้งสน่น ให้บริสุทธิ์จากบาปโทษบนทินต่างๆหมายความว่าผู้นั้นตื่นตัวได้หายหลงและจะจะไม่ยึดถือเอาบาปเอาโทษทั้งหลายติดตัวไปเลยแม้ว่าจะต้องเกิดอีกในโลกหน้าต่อไปก็จะไม่หาบเอาบาปเอาอาคุศนต่างๆติดตัวไปจะเอาแต่บุญแต่พุนนี่แหละเป็นญาณภาหานะรองรับดวงเกิดอันนี้ไปสู่โลกหน้า